มีใครอื่นอีกไหมรู้ตัวเรารู้ตัวเราปัจจุบันเนี่ยว่าตัวเรามันเป็นแค่ดินน้ำไฟลมรู้ตัวลืมตัวเมื่อไหรมันก็ไม่เห็นตัวแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวเมื่อไม่เห็นตัวมันก็ต้องเป็นตัวเป็นตัวเราแต่ถ้าเห็นตัวเรามันก็ตัวเราเป็นแค่สังขารเป็นแค่ขันห้าเพราะนั้นต้องเห็นขันห้าบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่อุปาทานในขันห้า เพราะขันห้ามันอยู่ที่ตัวเราไงแต่ถ้าไม่เห็นตัวเราเท่ากับว่าไม่เห็นขันห้าเพราะนั้นมีสติรู้บ่อยๆว่าอ๋อนี่ขันห้าอยู่เฉพาะหน้าอยู่แล้วการเดินการนั่งการนอนการพูดการคิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนี่คืออยู่ในกลุ่มอยู่ในขันห้าหมดแหละอืมเป็นขันห้าหมดเพราะนั้นมันเกิดขึ้นมามันแสดงตัวขึ้นมาก็รู้ก็เห็นเมื่อรู้เห็นมันก็จะแจมแจ้งในขันห้าว่าเออมันมีความเกิดดับอยู่ เพราะนั้นความเกิดดับมันอยู่ที่ตัวเราความเกิดก็อยู่ในตัวเราความดับก็อยู่ในตัวเราพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเกิดความดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำให้มากก็คือรู้ตัวเรานี่แหละเนี่ยคือสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกทางชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งยากด้วยนะในตัวเรามีหมดถ้ามีสติก็รู้หมดแหละทำชั่วทำดีก็รู้หมดแล้วสติก็จะเป็นตัวกากับควบคุมไม่ให้ทาชั่วส่งเส ร, ริมให้ทดีใช่พูด พูดดีพูดชั่วสติก็รู้หมดแต่สติมีหน้าที่กํากับว่าถ้าพูดชั่วเบรคไม่ให้พูดถ้าพูดดีอ้าวก็พูดไปเลยเนี่ยมันมีแต่กุศลเพราะฉะนั้นหนทางมันก็คือนี่แหละมีสติแล้วก็จะทำให้รู้หมดทุกอย่างแล้วก็มันก็ไม่สลับซับซ้อนเกินไปค่ะห้วงพ่อคะพอดีพอดีหนูหนูจะขออนุญาถามอีกเรื่องนึง าการที่การที่เรารู้สึกไปที่พระนิพพานไงค่ะอันนี้คือที่เราไปถึงตรงนั้นแล้วที่ที่เป็นแก้สายหรือว่าอะไรไงค่ะแล้วก็ตรงตรงนั้นเป็นใจไหมคะหรือว่าหรือว่าก็ยังเป็นสังขารอยู่สังขารหมดเลย <laughs> คื อ, อสิ่งใดที่ปรากฏนะสิ่งใดที่ปรากฏปรากฏก็คือว่ามันมีการเกิดนะ ก็เรียกว่าปรากฏให้รับรู้เนาะให้รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรพวกนี้ยแล้วก็ปรากฏแล้วก็มันหมดไปเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่นิพานเพราะนิพานเนี่ยเป็นความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์คือไม่มีความทุกข์ปรากฏในที่เป็นนิพานนะนะไม่มีอะไรปรากฏเลยลูกแก้วก็ไม่ใช่นิพานเพราะถ้าเป็นลูกแก้วแสดงว่าลูกแก้วปรากฏแต่นิพานเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรเลยทุกข์ก็ไม่มีสุขก็ไม่ปรากฏสุขขเวทนานี่นะไม่ปรากฏอะไรก็ไม่มีความคิด ก็ไม่ปรากฏคือรวมความเนี่ยพูดแบบรวมความกันเลยไม่มีอะไรปรากฏในนิพพานเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยสิ่งใดปรากฏอันนั้นไม่ใช่นิพพานแม้กระทั่งความว่างเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยไปทําฌานมาเนี่ยมันว่างหมดแล้วนะอันนี้ปรากฏแล้วปรากฏว่าว่างแต่อันเนี้นก็ไม่ใช่นิพพานก็ยังเป็นสังขารอยู่ดีพูดง่ายๆเลยนิพพานเนี่ยคือความไม่เป็นอะไรไม่มีไม่มีความสุขไม่มีไม่มีปรากฏเลยแต่รู้ได้ด้วยใจ รู้ได้ด้วยใจไหนอะใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่บริสุทธิ์นี่แหละเป็นผู้รู้นิพพานไม่ใช่เรารู้นิพพานเรารู้นิพพานไม่ได้เลยเพราะเราเป็นขนันธ์หน้าเนาะมันมีแต่แค่มโนความมโนก็คือนึกคิดปรุงแต่งเอาเองมันก็ไม่ใช่นิพพานเพราะนั้นเนี่ยเอออย่าไปหลงนะที่เขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่า ง, ง น, นั้นนิพพานน่ยมันมันอธิบายไม่ได้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะมันไม่ปรากฏอะไรเลย วิธีปฏิบัติก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่ยึดถือแค่นั้นแหละมันก็เป็นนิพพานเองแหละรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปรากฏแต่ก็ไม่มีตัวเราเป็นผู้ยึดพอไม่มีตัวเราทุกยึดตัวเราก็ไม่ปรากฏแล้วนะเมื่อตัวเราไม่ปรากฏเท่ากับว่าความเป็นนิพพานก็ปรากฏขึ้นเพราะไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราเราเป็นทุกข์เป็นสุขก็ไม่มีก็มันก็คือนั่นแหละเป็นนิพพานเป็นความว่างไป แต่อย่าไปพูดเรื dai, ่องนิพานมากเพราะว่ามันมันคิดนึกปุงแต่งทั้งหมดเนี่ยที่กำลังคุยเนี่ยสังขารหมดเลยเนาะทีนี้ไอ้สังขารยังไม่รู้จักเลยแล้วไปจรู้จักนิพานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องรู้จักสังขารแล้วก็ไม่ยึดถือสังขารว่าเป็นตัวตนเสียก่อนเออเพราะสังขารมันเป็นตัวทุกเนาะเก็บทุกปวดทุกป่วยทุกอย่างง่นทุกไปหมดต้องรู้จักแล้วก็ข้ามมันไปได้เช่นเจ็บป่วยมากๆอย่างเนี้ยเนี่ยสังขารเกิด ข้ามได้ไหมล่ะถ้าข้ามได้ก็คือก็ถึงนิพพานได้ถ้าข้ามไม่ได้เช่นบอกโอ้ยเราป่วยมากเมื่อเราเราเจ้าอายเราหงุดหงิดแล้วเราตายซะดีกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงนิพพานเลยเพราะว่ายังข้ามพ้นสังขารไม่ได้เลยถ้าข้ามพ้นข้ามพ้นสังขารได้ก็คือรู้มันว่าสังขารกําลังปรากฏรู้ก็คือตัวรู้ที่ที่คุยกันนี่แหละรู้ใช่ไหมเออได้แต่รู้แจ้งในกองสังขารแต่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเป็นสังขารไม่ได้ยึดสังขารได้แต่รู้ได้แต่รู้ รู้นี้แหละนี่แหละรู้เนี่ยเป็นรู้ที่ไม่ทุกไม่สุขเพราะมันพ้นจากทุกจากสุขแล้วก็รู้เนี่ยมันก็เป็นความว่างใจเองคือมันไม่ปรากฏใช่ไหมมันมีความรู้แต่มันรู้ทุกเรื่องแต่มันไม่ทุกแล้วไงไอ้รู้เนี่ยมันไม่ทุกเพราะมันไม่ทุกอันนะก็เรียกนิพพานไงนิพพานไม่ใช่รู้แต่รู้เนี่ยคือบ่งบอกถึงว่าเมื่อรู้แล้วไม่ทุกมันก็จะถึงนิพพานได้รู้แล้วไม่ทุกรู้แล้วไม่ยึดอะไร เนาะอย่าไปสงสัยมากนะเพราะความสงสัยไปติดกันอีกเพราะว่ามันมันมีตัวเราเป็นผู้สงสัยะันนั้นวางผู้สงสัยรี่แล้วก็จบเลยไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะค่ะสาธุค่ะพุทค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะคือตอนนั้นเมื่อก่อนผมนั่งสมาธิบ่อยใช่หไหมผมนั่งสมาธิบ่อยถ้าใจมันโล่งมันไม่มีอะไรเลยมันกระทบกระทบก็เฉยเฉยมันเหมือนว่าความความเศร้าหมองมันไม่มีเออ จากนั้นผมก็เลิกทำสมาธิผมก็ปล่อยวางประมาณหนึ่งอาทิตย์มันมีความหมองความเศร้าความความแบบไม่ต้องการเน่ะจิตที่มันแบบมันประสัมมาสายเข้ามาเอ๊ะผมก็กลับไปช่วยสวดมนต์ทั้งสมาธิมันเอ๊ะไม่เอาดีกว่าให้มันมาเต็มที่เลยผมก็ทําอย่างนั้นเมื่อมันมาแล้วใจมันอยากดีเอกมันไม่อยากจะยุ่งกับอะไรนะมันมันเหมือนเออ่แสบเจ็บปวดมันรู้สึกว่ามันไม่อยากยุ่ง เพราะว่ากิเลสมันคล้ายๆว่ามันหมองอะความหมองที่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอี้มันวุ่นไปหมดแล้วผมอยากสงบไงแต่มันไม่มีที่สงบเลยคือมันไม่มีสมาธิละสมาธิมันหายไปหมดผมไม่ไม่นั่งไม่อะไรเลยผมลองดูแล้วผมเจะทํำยังไงดีตอนนั้นแล้วผมก็มานอนมานอนแล้วมาเออผมก็เลยตัดสินใจเต็มที่ผมก็บอกไงเต็มที่เลยอยากมาก็มาอยากทําอะไรก็ทำเอะปล่อยปุ๊บเอ๊ะ ความเศร้าหมองมันหมดกําลังลงหลวงพมันก็อยู่ตรงนั้นมันทําอะไรผมไม่ได้เลยมันก็เฉยเอาโ อ, โอเข้าใจแล้ว่แรงผลักที่ผมผลักมันออกก็คือแรงแรงดันที่มันดันเข้ามาอ๋อผมก็เฉยกับมันค ล, ล้ายๆ ก, กับกําหนดรู้อะทําให้หลงพอว่าผมไม่ได้กําหนดรู้นะผมไม่สนใจมันผมปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ยุ่งอยากทําอะไรก็ทำอยากทําอะไรก็เชิญเต็มที่อะไรเงี้ย อยากมองก็มองผมก็ปล่อยวางแล้วว่าไม่สู้ไม่อะไรแล้วมันก็ตัดแบบนี้ผมทำถูกไหมฮะหรือว่ามีวิธีแก้แบบไหนบ้างที่จะมากไปกว่านั้นที่เล่ามาทั้งหมดเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณนะ์เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันนั้นๆเนี่ยเป็นอย่างที่โยมเล่าแหละเนาะหมายถึงว่าได้รู้ได้เห็นยังไงมันก็เป็นเป็นตามนั้นเลยนะครับ ทีนี้ถ้าเราสูงว่าเราจะเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องไตรลักษณ์นะเขาเรียกว่าเดินปัญญาเนี่ยจริงๆอ่ะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นความเป็นไตรลักษณ์ซึ่งแสดงให้เต็มเขาเรียกว่าเห็นแจ้งหมดเลยว่าเอออะไรก็แปรปลวนเนาะไม่เที่ยงเนาะไมแม้กระทั่งจิตใจเองอะ่ะยังมีตัณหาวิภวะตัณหามันก็ชักเข้าชักออกคือถ้าถ้ามองสูงว่าตอนเนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์แล้วเนี่ยลองลอ ง, ลองพิจารณ์ ย, ย้อนหลังดูว่าโอ้โห มีแต่ความแปลป่วนเนาะมีแต่ความแปลป่วนแ ป, ปรป่วนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมะที่กําลังแสดงไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเราจะเอาเป็นสมาธินะแน่นอนอะ่ะพยายามที่จะทําจิตให้นิ่งให้สงบเพื่อที่จะให้มันเป็นหนึ่งเพื่อมีความสุขไอันนั้นเขาเรียกว่าไปทางสมาธิแต่ถ้าทางเดินปัญญานะก็คือเห็นตามความเป็นจริงตามที่มันปรากฏเฉพาะหน้าเลย มันมีปรากฏอะไรล่ะโอ้เมื่อกี้หลวงพ่อก็จําไม่ได้เนาะแต่ที่จําได้ก็คืออย่างน้อยก็มีมันเยอะแยะนะ โ, โยมยังจําได้อยู่เนาะแต่หลวงพ่อพูดรวมๆกันแล้วกันว่าทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏตอนนั้นแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราเนี่ยมันมีตัวเราอยู่แต่เราไม่รู้จักว่าคือมันมีความเป็นอัตตาในนั้นนะนะมีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเราแต่ขณะนั้นเนี่ยไม่รู้จักตัวนี้ แต่มีแต่ตัวเราเนี่ยรู้จักสภาวะที่มันแปลปรวนตัวเราคนไหนอะ่ะตัวเราก็คือคนที่พูดที่ภาคคนที่จะเอาอยัางงั้นจะเอาอยัางนี้แล้วก็มันไม่สมอยากใจเราเราก็งดมิดเนี่ยตัวเราคือตัวนี้แต่ไม่ได้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้จริงจริงอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็เป็นสังขารเหมือนกับตัวอื่นๆทีนี้คนส่วนมากเวลาปฏิบัติมันก็พลาดตรงนี้แหละคือเห็นอย่างอื่นเห็นหมดแต่ไม่เห็น ไอพฤติกรรมที่มันแสดงความเป็นตัวเราอะ่ะไม่เห็นตัวเนี้ทีนี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันทําให้พลาดไปมันพลาดไปเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆหลักของพระพุทธเจ้าทุกคนก็เข้าใจแม่นยําแล้วว่ามีแต่สังขารเท่านั้นเนาะสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ไม่เห็นไม่เห็นอัตตาว่ามันเป็นอนัตตานี่คือข้อพลาดทีนี้วิธีแก้ต่อไปเริ่มใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าปัจจุบันตอนนี้ไปเลย นะตอนนี้ชี้เข้ามาปัจจุบันเลยว่าปัจจุบันตอนเนี้ที่กําลังฟังอยู่เนี่ยมันก็คือสังขารที่กําลังคิดเพื่อจะให้เข้าใจมันก็เป็นสังขารคิดแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่รวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะยืนฟังนั่งฟังจะนั่งไหวๆกัดดิกเท้ากัดดิกนิ้วอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมลงเลยให้เห็นในปัจจุบันว่าทั้งหมดทั้งยวงทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย รวมเป็นกองเดียวไปเลยทีเดียวพลึบไปเลยว่าเนี่ยที่มาเข้าห้องครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือสังขารทั้งหมดให้รู้แจ้งอยู่อย่างเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในปัจจุบันครับอาจารย์แต่ว่ามันมาก่อนนะครมันมาก่อนแล้วมันมันหมองแล้วจากนั้นมันเกิดปัญญาเออมันคือสังขารใช่มันสังขารเนี่ยมันถ้าเรายุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราอืแล้วเฉยกับมัน มันก็ไม่มีกําลังเหมือนเห็นเฉยๆมันมันมันบุนมันหมุนอยู่อย่างนั้นนะอืเออเราก็ไม่ยุ่งกับมันเราไม่เอาจิตไปจับมันนะเออมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นก็เลยมีปัญญาตรงนั้นฮะถ้ามีปัญญาอย่างอาจารย์หลวงพ่อว่าเมื่อกี้คือไม่ได้ว่าให้เป็นสังขารเลยอย่างเงี้ยผมไม่ได้เนี่ยสมมติว่าให้มันมาก่อนแล้วมันหมองก่อนจิตใจไม่สบายแล้วมันจะดีดออกถ้ามันมีเรามันจะเรียนรู้ว่าโอ้มันไม่ใช่ละตอนเนี้ยเออมันอยู่อย่างนี้ แล้วมันก็จะดีดออกดีดออกจากนั้นก็จะไปเห็นว่ามันไม่มันมาไม่ได้แล้วรู้มาแล้วขนาดมาทีหลังนี่มันมาไม่ได้แล้วประมาณนี้ครับหลวงพ่อก็ก็มันมีเหตุนั่นแหละที่ที่ทําไมมันคือมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตัวเราที่จะไปยุ่งมกิยมพูดเองอ่ะเนาะคือมันมีตัวเราเนี่ยจะไปยุ่งกับสภาวะที่มันเป็นของมันอยู่แล้วพอไปยุ่งปั๊บอ่ามันก็ มันก็วุ่นวายแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันไม่ได้สมใจเราด้วยดิเพราะว่ามันมีตัวเราเนาะเป็นผู้คาดหวังเป็นผู้หวังจะใ ห, งหให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นความาก็เรียกว่าเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนาะแต่ก็ไม่เห็นในตัวตัวเราที่เป็นผู้อยากหรือไม่เห็นสังขารที่มันเป็นเป็นขไข่พุ่งแต่งในลักษณะที่มันเป็นผู้อยาก่ะไม่เห็นพอไม่เห็นเสร็จไอ้ตัวเราก็ยังวุ่นไปเรื่อยนะแต่พอถึงจุดหนึ่งความรู้สึกว่าเออช่างมันแต่ตอนช่างมันเนี่ยตอนเนี้ยมันก็็ยยััังงมมีีตวเเราาปนนผูู้ช่่อดล แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ทําให้ความวุ่นวายก็น้อยลงนะแต่สิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นอวิชาก็คือยังมีตัวเราเป็นผู้ชั่งมันเป็นผู้ปล่อยวางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิชาคือต้องเห็นว่าตัวเราก็ไม่มีมีแต่สังขารที่มันมันเป็นหมายถึงว่าต้องหลวงพ่อจะใช้คําพูดอย่างนี้ก่อนนะต้องเห็นอัตตาเสียก่อนพอเห็นอัตตาปั๊บอัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นคือถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็เป็นอัตตาคือเป็นตัวเราเนาะเป็นตัวเราผู้ยุ่ง แต่พอมีสติปัญญาปั๊บเห็นเลยว่าอ๋อมีตัวเราเห็นไหมเขาเรียกว่าเห็นอัตตาแต่พอเห็นถูกปั๊บอ้าวมันก็พลิกเปลี่ยนเป็นอนัตตาทันทีเลยแล้วก็ความตัวเราก็ดับไปเนี่ยตรงเนี้ยตฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติจุดที่เป็นจุดที่ยากที่สุดคือต้องให้เห็นให้เห็นอัตตาที่ก่อนแล้วก็มันก็จะเกิดปัญญาเพราะเราเรียนธรรมะมาเยอะแล้วนี่เนาะพอเห็นอัตตาปั๊บมันก็จะพลิกเป็นเปลี่ยนเป็นอนัตตาทันทีเลยแล้วก็อัตตาก็ดับไปคือความเป็นตัวเราก็ดับไป ก็เหลือแต่สังขารเกิดดับเกิดดับโดยไม่มีตัวเราตรงไหนเลยอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นขนาดจิตนะหลวงพ่อพูดถึงเป็นขนาจิตเพราะว่าความเป็นตัวเรามันก็เกิดได้อีกเช่นหลังจากที่ทําสําเร็จแล้วหมายความว่าเห็นตัวเราเป็นอัอนัตตาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดอาจจะเป็นความภาคภูมิใจขึ้นมาว่าโอ้เราทําได้แล้วนะไอเราทําได้แล้วนี่ก็ไปเป็นอัตตาตัวใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องเห็นตัวเรา ที่มันเป็นอัตตาให้เป็นอนัตตาอีกทีมันจะเกิดไอตัวเราเนี่ยมารองรับผลเสมอทําสําเร็จก็จะมีตัวเราไปรองรับว่าเราทําสําเร็จถ้าทําไม่สําเร็จมันก็จะมีตัวเราไปลองรับว่าเราทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นไอความเป็นเราเป็นเราเนี่ย os ที่เรียกว่ามันเป็นอวิชชาคือมันไปยึดผลว่ามาเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ารู้ทันปั๊บตรงนี้เขาเรียกว่าดับที่หัวขบวนมันดับดับอวิชชาก็เป็นวิชาขึ้นมาพัฒนาของของโยมเราหลวงพ่อฟังแล้วไม่ไม่ยากแล้วเนี่ยแค่แค่ เพิ่มเพิ่มคือให้รู้จักให้รู้จักความเป็นอัตตานิดนึงแล้วก็มันก็จะย่อยสลายให้เป็นอนัตตาไปถ้าเป็นอนัตตาก็คือจบละไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตอ่อเนาะหลวงพ่อพูดไม่รู้ฟังยากหรือเปล่านะ่ลองลองคุยพ่อมไม่เคยคุยมากันมาก่อนอมันมันมันนั่นอย่างหลวงพ่อพ่ยังไม่เข้าใจตัวนั้นเพราะว่าคือมันยังไงมันก็ยังมีอัตตาครเพราะว่าถ้ามองว่าไม่มีอัตตาเลยเงี้ยต้องผมเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้น เพราะว่ามันมันไม่ได้แบบเฮ้ยมันตักเลยทันทีเงี้ยมันมันยังเป็นไปไม่ได้เฮ้ยมันยังมีเราอยู่ในตรงนั้นทิฏฐิบางอย่างมันก็ยังถือเอ๊ะแต่เมื่อผมรู้ทันเน่ยมันก็จะหายไปอใช่มันก็จะหายเฮ้ยยึดถือทิฏฐิแล้วเนี่ยอ่าใช่ใช่มันมันเหมือนว่าทิฏฐิมาแล้วอืมแต่ว่าไปแตะมันละแตะทิฏฐิปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่ครับมันก็เลยสะบัดทิ้งสะบัดทิ้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้ มันเหมือนมีผู้รู้อ่ะผู้รู้รู้ว่าที่ฏี่เกิดแต่ว่าผมรู้อย่างเงี้ยมันก็มันผมที่เป็นตัวตนเนื้อหนังเลยไม่ใช่แล้วนะฮะอันเนี้ยผมผมเข้าใจละแต่ตัวเนี้ยผู้รู้ข้างในอย่างเงี้ยมันยังมียึดถืออะไรต่างๆมันยังมันยังยังเยอะอะตัวข้างในมันตามที่ผมพิจารณาเหมือนมันสัมผัสจากข้างในมันยังเยอะอยู่เช่นพวกพวกบางอย่างลึกๆมันยังไม่ออกมาพวกราคะ พวอะไรอย่างเงี้ยมันยังยังอยู่ข้างในมันยังไม่รู้ว่าต้นตอมันมาจากไหนบางทีเออเห็นแล้วมันชอบพุ๊มันก็ยังสะบัดทิ้งแต่ว่าไม่มันละเลยไม่ได้ฮชมันก็ยังเติมเรื่อยๆอย่างเงี้ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไป่อยใช่<อ>รตรงนี้อ่าวิธีละให้เร็วก็คือรู้ปัจจุบันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันจะมีเราไปพูดเรื่องอดีตนะคือมีเราเนี่ยเป็นผู้รู้เรื่องในอดีตเช่นที่เล่ามาเนี่ยว่าตอนที่ทําสมาธิครั้งก่อนก็ได้เนาะ มันมีเหตุการณ์อันนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้เล่าแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวเราเป็นผู้เล่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำลายอาาตตาไม่ได้เพราะขณะที่เล่าเนี่ยถ้าไม่เห็นนะ ว, rien, ว่ามันเป็นอนาตตาที่กำลังพูดเนี่ยว่าเป็นอานัตตามันก็ยังเป็นยังหลงอยู่คือไม่รู้ไม่รู้สังขารที่กำลังปรุงแต่งในปัจจุบันเพราะนั้นต้องเพิ่มก็คือรู้ขณะที่กาลังพูดก็คือรู้ตัวขณะที่กาลังคิดก็รู้ตัว เพราะอะไรพวกนี้เป็นอ น, นัตตาหมดเลยในที่กำลังรู้อยู่เนาะแต่เราลืมไปปั๊บเมื่อไหร่ปั๊บโอ้โหมันก็เป็นอัตตาแต่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องเน้นตรงนี้มากๆเลยว่า<ม>แบบนี้หรือเปล่าหลวงพ่อคือแบบให้รู้ตัวอยู่เหมือนว่าหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้คล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนในนั้นปัจจุบันก<อ>็ก<ม>็แล้วแต่ถ้าถ้าสมมติเราเราอยู่คนเดียวนะเราอาจจะกําหนดอะไรเป็นฐานที่ตั้งของสติก็ก็สะดวกดีเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับใครเนาะ เอาเป็นฐานที่ตั้งแล้วก็พอเป็นฐานที่ตั้งเสร็จแล้วก็เช่นรู้ลมเนาะเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้เราฝึกจิตนะคือจิตคือฝึกให้มีจิตตัวรู้รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเนี่ยเป็นแค่เป็นเป็นแค่สิ่งให้จิตรู้เท่านั้นเองพอพอสมมติว่าพอจิตมันรู้อยู่นี่แสดงว่ามีสติแล้วก็พอต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่รู้คือมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันไม่รู้ลมเนี่ยแสดงว่าสติมันก็มันหายไปแล้วแต่ลมยังอยู่เออเห็นไหมลมยังหายใจเหมือนเดิมแต่ การรู้ <G arden> ไม่มีแสดงว่าขาดสติพราะขาดสติปั๊บเมื่อมันนึกได้เมื่อไหร่ว่าขาดสติมันก็กลับมารู้ใหม่พอกลับ <G arden> มารู้ใหม่เสร็จแล้วเอ้าเดี๋ยวมันก็ขาดแล้วก็จะทําให้เกิดปัญญาได้ว่าอ๋อไอตัวรู้ไอตัวตัวจิตตัวสติก็ยังไม่เที่ยงเลยไอลมมันมารู้ก่อนแล้วว่ามันไม่เที่ยงเนาะตอนนี้มาเห็นจิตว่าโอจิตไม่เที่ยงคือจิตรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันดับมันดับอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงจิตรู้เนี่ยเมื่อมันมีความรู้แล้วเนี่ยมันสามารถขยายฐานของความรู้ได้มากขึ้นคือนอกจากรรูู้้้ลลมแลวเนี่ยอาจจะจะิต ในส่วนที่เป็นความส ง, งบหรือความไม่ส ง, งบเห็นไหมพอนั่งไปสักพักนึ่งอา่าวันจะเห็นความส ง, งบอ่าวก็จิตรู้ก็รู้ว่าส ง, งบแล้วแต่จิตรู้เนี่ยได้แต่รู้อย่าไปยุ่งกับความส ง, งบเพราะฐานที่ตั้งคือลมเพราะฉะนั้นเอาลมเป็นฐานที่ตั้งของสติไว้ก่อนแล้วต่อมาเนี่ยสติก็รับรู้ทั่วถึงทั่วทั้งตัวทั่วทั้งอะไรทั้งหมดเลยสิ่งที่ปรากฏในตัวก็จะรับรู้รับรู้ถ้าสติตั้งมัน่นมันก็ได้เพียงแค่รู้แค่รู้ไม่หลงไปติดไม่หลงไปยึด ก็จึงเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมีความเกิดดับหมดเลยอันนี้หมายถึงกรณีคนเดียวเนาะแต่ถ้าเราคุยกันอย่างนี้ยก็คุยได้เป็นปกติแต่ถ้าคนที่ฝึกสติบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นอารมณ์ตัวเองเนาะเช่นอารมณ์ตัวเองเช่นเวลามันเกิดขัดใจขึ้นมานะก็รู้ได้นะรู้สึกมันขัดกันความรู้สึกไม่ตรงกันมันขัดแย้งอ่ะมันขัดขัดขัดขก็สัมผัสได้ว่ามันขัดแล้วก็พี่นาเหมือนกับว่าให้เป็นที่เข้าใจว่าความขัดนี้ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งมันเพิ่งเกิดมาระหว่างการคุย ก่อนคุยมันยังไม่เกิดเลยแล้วก็ตอนนี้มันเกิดก็จะได้พิจารว่าความขัดใจก็เป็นสังขารปรุงแต่งซึ่งห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วก็ก็โอเคไม่ว่ามันแล้วก็คุยไปเรื่อยๆพอคุยปั๊บประเด็นตรงไห น, นรู้สึกว่าเออคุยกันรู้เรื่องเข้าใจดีรู้สึกว่ามันเบิกบาน อ, อ้อก็รับรู้อีกว่าความเบิกบานเกิดแล้วความขัดใจก็ดับไปประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยปฏิบัติเนี่ยต้องมีสติรู้สึกตัวรู้ถึงกายถึงใจว่ามันแสดงปฏิกิริยาอะไรก็ สังเกตรู้มันแต่ก็คุยเป็นปกติเนอะ เ, ออเพราะการคุยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้ใช่ไหมระหว่างคุยอะ่ะเห็นมไหมคนที่ทะเลาะกันน่ะคุยถูกใจมันก็ชอบไม่ถูกใจมันก็ขัดแย้งกันแต่ผู้มีสติเนี่ยเขาเห็นภายในของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องเนี่ยสติเนี่ยก็จะเป็นตัวกํากับว่าเออควรพูดหรือไม่ควรพูดต่อไปอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นให้ทําคู่ขนานไปเนอะยอมคือระหว่างคุยก็คุยไปแบบโล ก, โลกแบบแบบเแบบนี้ยแต่ ต้องมีสติเห็นภายในในกายในใจของตนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นปรากฏการทางจิตด้วยถูกต้องถกต้องส่วนมากไม่เห็นไงเพราะว่ามันเพลินมันเพลินกับการพูดคุยเพลินไปกับเรื่องราวลืมตัวมันลืมตัวได้ง่ายมากเลยนะการที่เราคุยเนี่ยเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันเข้าไปมันไปอินอะมันไปอินกับเรื่องแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสจะลืมตัวมันก็น้อยกว่าเพราะว่ามันอยู่คนเดียวมันไม่ได้พูดคิดอะไรเยอะมันก็เห็น เพระนั้นก็เนี่ยที่เราคุยในห้องคลับทั้งหลายเนี่ยผู้มีสติเนี่ยชอบเห็นตัวเองอยู่ว่าภายในโดยเฉพาะคนดูจิตเป็นเนี่ยจะง่ายมากเลยมันจะเห็นเลยว่ามันขัดใจมากเลยอะไรหรือว่าตัวเองเนี่ยมันไอ้ปากก็พูดไปนะแต่ภายในน่ยมันบ่นอยู่มันบ่นเนี่ยเคยมีไหมล่ะก็ต้องมีติมันบ่นข้างในบอกไอ้นี่มันพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมไม่อยากคบมันอ่ะเนี้ยแต่ปากก็พูดเรื่องนู้นอยู่แต่ในใจเนี่ยแบบนี้มันมันพูดอีกเรื่องหนึ่ง ก็สามารถเห็นได้แล้วเนี่ยฝึกมันมากเลยนะถ้าฝึกแบบนี้ถ้าฝึกเป็นเนี่ยมันสนกกุกเหมือนกับว่าอา๋อเลยว่ามันยุบยิบไปหมดเลยอภายในตัวเราอ่ะ <S <S ถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ย เ, ยเยขาเรียกว่ามันรงนับอารมณ์ได้มันอะไรได้เพราะมันเห็นอยู่ไงเข้าใจครับขอบคุณครับคื <S <S อถ้าถ้าถ้าฝึกสติที่ต่อเนื่องนะที่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยไปแล้วอนะก็ไอตัวสติเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะใช้ เดี๋ยจะลงตัวกับของโยมไหมก็คือว่าเงาก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนาะเป็นเงาแต่ตัวสติเนี่ยเป็นผู้เห็นเงานะชเพราะว่าไอ้ไอ้เงาเนี่ยมันมันเกิดอยู่ตลอดแหละมันอาการเนี่ยมันก็เป็นเงาอ่ะเออแล้วก็ไอ้นี้ก็เห็นเงาแต่ไอ้ตัวเห็นไอ้ตัวสติมันไม่ได้จัดการเงานะมันได้แค่เห็นแค่นั้นแหละไม่ทําอะไรสักอย่างเดียวเงาก็เกิดไปก็เห็นไปเกิดไปก็เหมือนกับเงาแบบถ้าพูดเนี่ยเราเดินกลางแดดก็มีเงาก็ไม่ต้องไปจัดการเงาเนี่ยมันตามตัวก็แค่เห็นอยู่อย่างเนี้ย S <S เนี่ยอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ปฏิบัติถูกก็คุยธรรมะเพื่อละปล่อยวางไม่ได้คุยธรรมะเพื่อเอาวางอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็ทิ้งหมดรู้แล้วก็ไม่เอาอ่ะไม่ยึดอ่ะมันผ่านไปเฉยๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุยพอดีเมื่อกี้ขึ้นเข้ามาก็ในในท็อปปิกไหนกันอยู่ะครับอือก็รู้ตัวนี่แหละพูดก็รู้มีความโกรธความรู้สึกพอใจไม่พอใจรู้เลยที่ตัวแต่คุยไปรู้ตัวปัจจุบันแล้วก็ ถ้าหลวงพ่อตั้งชื่อก็ฝึกรู้เราให้ชนานาญก็คือรู้ตัวแหละรู้เราในเราเนี่ยมันจะมีเนาะถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกอะ่ะพูดถึงทางใจเลยนะในก็ในเรานี่แหละในในใจอะ่ะมันมีมีความรู้สึกเนาะมีความรู้สึกโกรธชอบโมโหหงุดหงิดลาคาญหรือมีความสุขหรือมีความปิติมีความเอิบเอิบใจที่เป็นปัจจุบันขณะนะแต่การคุยเนี่ยก็คือดําเนินไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับสังเกตอะ่ะสังเกตใจเจ้าของอะ่ะว่า มันมันเป็นยังไงจริงๆอ่ะมันเวลามันเกิดขึ้นน่ยมันรู้ดูแล้วแหละถ้าถ้าพูดอึมก็พูดยากเนาะบางคนเกิดแล้วไม่รู้เนาะโกรธแล้วไม่รู้ก็มีเนาะโมโหแล้วไม่รู้แต่ถ้าคนที่กุสติมันมันรู้ง่ายมากเลยเพราะว่ามันมันแทงใจอ่ะมันแทงใจนะพอเครื่องปั๊บมันแทงใจแล้วพอหูดหงิดปั๊บมันแทงใจแล้วและก็สังเกตนะสังเกตอาการเกิดอาการดับเนี่ยเพราะว่าในทุกขเนี่ยทุกคนทุกชีวิตเนี่ยอาการเนี่ยมันมันไม่คงที่หรอกมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจในการฝึกสติว่าคือก็ต้องรู้มันดูมันว่าเออมันเกิดมันดับอย่างเงี้ยรู้เบาๆสังเกตอาจบางทีอาจจะไม่ต้องสังเกตก็ได้มั้งมันอาจจะแพงแรงๆนะถึงทรมากแล้วเนี่ยมันแพงใจอ่ะแล้วมันรู้แหมแล้วก็ว่ามันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่คนอื่นมันไม่ได้เกิดกลางอากาศไงแล้วก็สังเกตเนี่ยตรงนี้มันทําให้เดินปัญญาได้เร็วและอย่างน้อยก็การดํารงชีวิตในทางโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราเห็นสิ่งพวกเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหากับใครเพราะว่า มันรู้เท่าทันแล้วว่าตอนเนี้มีโมโหแล้วนะมีโกรธแล้วนะแล้วก็ตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวยับยัง้งเป็นตัวควบคุมเพื่อไม่ให้กําเริบไม่ให้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ทะเลาะกันในห้องครับทั้งหลายยังเกิดจากอะไรเราก็คือขาดสติทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ใจตัวเอง <laughs> พูดไปก็ยังไม่รู้อีกอย่างเงี้ยก็เลยก็อืมต้องฝึกพร้อมๆไปกับกิจกรรมที่ทําเอ